รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรม ต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยวันนี้มาขึ้นถึงเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีนั้นเอ่อโดยเนื้อ มั่นคงฐาวรเรียกว่าแน่นอนเลยธรรมะอันนั้นก็คือพระนิพพานการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ เน่อุบายที่จะทําให้ได้เจริญกุศลได้อย่างมากและก็ต่อเนื่องๆนั้นหมายถึงการออกจากให้พระสารีบุตร อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนึงในการเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอายะแปลว่าเหล็กเรียกว่า เขาเลี้ยงเอาไว้ในที่แคบลูกเอ๋ยวันนี้จงปกครองแผ่นดิน ระดับระดับสูงระดับสูงแล้วก็ปานกลางระหว่างเลวกับสูงสัตว์ทั้งหมด ต้องเลี้ยงดูอยู่ในที่แคบแคบไปไหนมาไหนก็ ถ้ายังยินดีคลอดออกมาราชสมบัติก็เป็นผู้เลวซาม ข้าพระบาทเป็นผู้เหน็ดเหนื่อยในกาย จะเก Może ยดศักอันใหญ่หลวงก็หาไม่ได้แต่พศ Assistant เป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสลชนี้แลอันการที่สออกทั้งหมดก็สลเพื่อ โหมtv ศ Assistant ยุต παย โปร café เรื่องของไอโยพาร اج รยรยผตามอาตกธาที่ยกขเร Yale ยกขว ชาติที่พระมีหญิงร่วมสามีเนี่ยนะชื่อว่าอโยคระนั้น เราพึงกินบุตรที่เกิดแล้วเกิดแล้วของเจ้าเสร็จแล้วผู้หญิงที่ผูกเวรกินพระ พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของ ด้วยเครื่องมงเรือนทั้งหมดสําเร็จด้วยเหล็กทุกอย่างเสร็จทําด้วยเหล็ก ของเอาไอ้เรือนเหล็กเนี่ยนะถ้าร้อนมันก็ร้อน พระราชาทรงให้พระกุมารนั้นแก่ แต่ทีนี้ยักษ์นายตายไปแล้วอ่ะแต่ว่าไอ้กลัวยักษ์โรคแต 16 ปีพระ 16 พรรษาจึง พวกท่านจงนําโอรสของเรามาเถิดพวกอมาตย์ก็กราบทูลรับพระๆก็ไม่เคยไป ช้างเทียมรอบเมืองก่อนพระราชาเนี่ย หม่อมฉันจักบวชขอ <C ười> คือซึ่งข้อความในอรรถกถาชาดกกล่าวว่า ในระหว่างเวลาปัจจุบันใกล้รุ่งในพบก่อนมี นะผูกเวรน่ะนะผูกเวรว่าเอ่อด้วยกรรมอันนี้ก็ขอให้เอ่อแรงพยาบาทขอให้ได้ทับอีก นางเทวีก็ร้องขึ้นด้วยเสียงมุรุมุรุเรียกว่ากรอบนั่นแหละนะเหมือน แต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ พระราชามีพระองค์การให้มหาชนมาประชุมกันตรัสถามว่า ทางก็เอาใบตาลทําเขียนเป็นยันต์เป็นมนต์ก็มาผูกมือผูก ช่างเหล็กทั้งหลายจึงก่อสร้างพระตำหนักเดือนพอ เข้าเทียมกับแสงประทีปอันโพล่งอยู่เป็นนิดพระราชาทรงทราบว่าพระ พระราชาก็มอบพระกุมารแก่ พระราชาก็ตรัสถามถึงมูอัมมาดว่า 16 แก้วกล้าสมบูรณ์ด้วยพลานามัยสามารถจะต่อสู้ ให้เกิดอ่ามีการตกแต่งทั่วว่าดีละพระให 12 โยชน์เสร็จ กระว่าเป็นช้างทรงที่ประดับตกแต่งอย่างสมบูรณ์ไปไปยังพระตำหนัก พระองค์จักได้สเวตฉัตรในวันนี้แหละพระเจ้าค่ะเมื่อ พ่อของเราไม่ 16 ปีเนี่ยนะอยู่คุกมาตลอด 16 ปีไม่ให้เราได้เห็นพระแต่งงดงามเห็นตานี้เลยโทษผิดของเราเนี่ยมีอย่างไรหนอไปทํา โทษคือความผิดของพระองค์ไม่ๆพระเจ้า เรานี้อยู่ในครรภ์ที่คุมขังอยู่ในคุกอีก 16 ปีไม่ได้โอกาสที่จะได้ดูโลกภายนอกเลยเหมือนตกอยู่ใน ก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นไปจากความตายได้ไม่แต่เราก็ไม่ได้พ้นจากความตายว่าจะพ้นไปจากความตายยากงั้นนะท่าว่า แล้วก็ไปสู่ป่าหิมพานต์บวชเสียในวันนี้ทีเดียวพอ จะโปรดให้พวกข้าพระพุทธเจ้าจัด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 พระโพธิสัตว์ก็ทูลตอบว่าขอเด 10 เดือนเหมือน 16 ปีไม่ได้โอกาสที่จะได้เห็นโลกภายนอก ถึงจะพ้นจากเงื้อมมือของนางยักษิณีแล้วก็ใช่ว่าฆ่าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนไม่แก่ไม่ตาย ข้าพระพุทธเจ้าจักบวชประพฤติธรรมจนกว่าความซึ่ง จริงๆแล้วพระราชาก็บอกว่าเจ้านี้ได้รับความทุกข์มาตั้ง <c oughs> บรรดาศักดิ์ที่อยู่ในแผ่นดินใช่บางพวกก็เรือนอยู่ใกล้พ่อใกล้นี้เลี้ยงดู <_ c oughs> เหมือนพระจันทร์ทาทิศที่ไม่มี 3 ทั้งหลาย 3 ยิ่ง 3 ทั้ง นายอตกถาเอ่อจริยาปิฎกหน้า 408 ย่อหน้าล่างบอกว่าอันหนึ่ง ตลอด 10 เดือน 16 ปีเพราะไม่ได้เห็นแม้แต่ภายนอกนางยักษิณีก็ไม่พ้นจากความแก่และความตายไปได้เลยได้เห็นแม้แต่ภาย ลูกจักบวชประพฤติธรรมจนกว่าความป่วยความ สัตว์ถือปฏิสนธิกลางคืนก็ตามกลางวันก็ อันนั้นเจริญเติบโตกลายเป็นแบ่งปัญจะเนี่ยนะปัญจะสาขาเป็นปุ่มอ่ะ 5 ปุ่มก็ตามที่เราๆเพิ่มไล่มาเรื่อยๆ นรชนทั้งหลายจะยกพลโยธายุทธนาการกับชราพยาธิมรณะยัง ยังมากก็ดึงผิวหนังได้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะต่อสู้กับความป่วยยากแล้วความตายนี่จะชนะจะเป็นได้ยังไงความ ไอ้สติแม้จะต่อสู้ให้มันชนะไอ้ความตาย พระราชาผู้เป็นอธิบดีเป็นใหญ่ในรัฐทั้ง อันไหนที่สุดอ่ะนะยังกษัตริย์ไม่ใช่ๆๆๆในที่ก็ไปตายยังไงอเล็กซานเดอร์มหาราชโบราณก็เหมือนกันนะโวยรบมาเรื่อยก็มาตายอ่านโปเลียนก็รบไปจนตายเนี่ยๆยิ่งใหญ่จริงๆก็จนตายเจงกิสข่านก็ในที่สุดก็ตายนักรบอื่นๆที่รอดตายนี่ยากนะเพราะอะไรเพราะที่สุดของชีวิตก็คือความตายแล้วเอาอะไรมาผลัด ห้ามความตายได้ล่ะบอกว่าพระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยพลม้าพลรถและพล แมจะเป็นผู้กล้าหาญย่อมหักค่ายทําลายช้าง มีมันเหลวแตกออกจากกระพองย่อมย่ํายีนครทั้งหลายและเข่นฆ่า อันได้ฝึกฝนมาดีแล้วได้ฝึกฝนมาดีแล้วเป็นผู้มี สังขารทั้งปวงนั้นจักตั้งอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ย่อมเสื่อมสิ้นไป เพราะเพราะอะไรเพราะว่าตึกทั้งหลายก็คือเอาเม็ดหินเม็ดทรายเล็กๆมาปะปะต่อๆ สังขารเหล่านี้อีกหน่อยก็ตายแล้วก่อนหาแท้ที่จริงชีวิตของ นักเลงขี้เมาอ่ะนะให้ขี้เมาถือธงอ่ะนะธงเนี่ยมันสั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับต้นจริงๆแล้วมันหวั่นไหว เหตุไม่สมควรจะตายจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตายเนี่ยนะ นะเวลาที่เห็นใบไม้ตกเห็นผลไม้ตกร่วงหล่นแล้ว อกุศลนําซึ่งชีวิตของเราก็ไม่สามารถจะอยู่อย่างนี้ได้ไหนแล้วกุศลนําไปไหนซึ่งชีวิตของเราก็ไม่สามารถ นะพระวันนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะส่วนใดร่วงไปแล้วส่วนนั้นก็เป็นอันร่วงไปแล้วจันทร์มันยิ่งใหญ่กว่าดวงดาวทั้งหลายใช่มั้ยถ้าดู ว่าจะหาความสุขมาจากไหนแล้วมันสบายตรงไหนอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นฆ่า ยักษ์ก็ดีปีศาจก็ดีเปรตก็ดีโกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้แต่เชื่อ กรรมประพฤติธรรมทั่วในครั้งนะก็คือการประพฤติกุศลอโมหะเจริญคุณธรรมเพื่อกำจัดความโลภเจริญคุณธรรม แต่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถแต่ว่าบ่วงสรวงบนบานผีสางเทวดาเป็นต้นน่ะบ่วงได้ใช่มั้ยบ่วงสรวงขอความตายอยาก ผู้ปะทุสรายต่อราชสมบัติผู้เบียดเบียนประชาชนตามสม ชนทั้งหลายผู้กระทําความผิดฐานปทุสสะร้ายต่อพระราชาก็ดีปทุสสะร้ายต่อราชสมบัติก็ดีผู้เบียดเบียนประชาเอ่อเบียดเบียนประชาชนก็ดี<ะ> แต่คดีคือความตายไม่รู้จะไปอุทธรฎีกาวอนไปอุทธรฎีกาไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความตายไป<ใช> ไม่เกรงใจว่าคนไม่และก็ไม่เกรงใจด้วยว่าคนนี้เป็นคน นะการการระลึกถึงการเจริญมรณานุสติระลึกเถิดว่าผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตทั้งหลาย 100 ปีข้างหน้าจะเหลือสักกี่คนเนี่ยนะโอยเค้าลืมชื่อเราหมดแล้วลงเรือง เอาแล้วถามว่าชีวิตที่เหลือนี้ควรจะทําอะไรชีวิตที่ ประจำโลกอยู่แล้วไม่ใช่ของผู้ใดรอใครมีบุญไปใครหมดบุญก็ป่วยไปเนี่ยนะก็อยู่แค่นี้ เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นอย่างงี้แหละแล้วใครจะ มันก่อนดูรายการของจินซีฮ่องเต้เที่ยวแสวงหายาๆเป็นต้นเนี่ยนะไปตาม<อ> ยังมากก็เหลืออนุสาวรีหน่อยนึงอนุสาวรีเค้าไปโค่น แต่ไม่สามารถจะขบกัดมัจจุราชให้ตายได้เพราะฉะนั้นฆ่าพระพุทธเจ้าแต่มันแต่แพทย์ กาลักิริยานอนตายเพราะเหตุนั้นฆ่าพระพุทธเจ้าจึงคิด นะหนีอะไรยังพอหนีได้หนีความตายจะหนีไปอยู่ ท่าน 16 ปีเอง 16 ปีนี้ท่านมีความรู้มีความเข้าใจได้อย่างการ การประพึตรกูด憩รรธรรมด้วยกายด้วยวาจ saisด้วย ใจประพิตรธรรมเพื่อกำจัดความโรบความโ confer Au สภาพทั้งสองนี้คือทั้งสองนี้คือธรรมและอธรรมคือกุศลกรรมบถและอกุศลกรรมบถเนี่ยนะมีวิบากไม่เสมอกันอธรรมคืออกุศลกรรมบถนําไปสู่นรก ยอมให้บวชหรือว่ายอมยังไงนะเท่า 2 คําลูกก็พูดถึงประโยค 2 ประโยค 3 4 ประโยคก็ตายเนี่ยนะเฮ้แล้วก็ถามว่าอะไรมันมั่ง คือโดยสรุปนี้อัตกถาจริยาปิฎก 409 ย่อหน้ากลางว่าข้าแต่พระบิดาราชสมบัติ นี่นะพ่อถ้าคืนคุยกับพ่ออยู่นาน ฉะนั้นภชนกคือพ่อของพระโพธิสัตว์คิดว่ากุมารนี้ใคร่อยาก 16 ปีแค่นี้เองยัง 16 ขวบ 2 คําพูดแต่เรื่อง เมื่อพระราชาเสด็จออก 12 โยธประพฤติธรรม ก็เลยส่งวิศวกรรมเทพบุตรให้สร้างอาสมบทยาว 12 โยชน์กว้าง 7 โยชน์มอบบริขารบรรทัดให้ครบเนี่ยนะในที่สุดก็มีการบวชโอวาทสั่งสอนหมู่ประชุชนให้ ผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่อ่ะนะก็ได้เข้าสู่ จะว่าให้เกลียดยศศักดิ์ใหญ่หลวงจะได้เกลียดตําแหน่งพระราชาจริงๆแล้วจะ มันก็ต้องมีการพัดพรากเป็นที่สุดเราให้เราขอจากหรือให้สิ่งนั้นจากเราดีขอ สละแล้วเป็นบุญก่อนจากเนี่ยนะอันไหนจะได้รับประโยชน์กว่ากัน เพื่อไปเจริญบารมีเพื่อบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแต่ถ้าหากว่าเฝ้าจนตายอยู่ด้วยกันหมด พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันแล้วส่วน น้องหญิงชาย 7 คนเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลเรานี้ พวกสหายร่วมใจของเราที่เป็นเครื่องนําสุขมาให้ใน ไปเถอะไปเที่ยวไปเล่นการมีครอบครัวการๆเนี่ยนะเหมือนเอาเหล็กแหลมเนี่ยเผาแล้วก็ทิ่ม ถ้าท่านไม่บริโภคกรรมท่านไม่บริโภคกามเราคู่ใคร่ประโยชน์ มารดาบิดาทั้งสองและน้องหญิงชายทั้ง 7 ของเราสละทิ้งสมบัติ พระโพธิสัตว์เนี่ยนะมี 7 คนในชาตินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล 8 คนมีพี่ชาย เพราะไม่ยินดี 80 โกดในกรุงพาราณสีชื่อว่ากัญจนกุมารแสดง แสดงว่าชื่อทองหมดเลยนะมหาทองนะใกล้ทองเป็นต้นเนี่ย 7 คนส่วนคนเล็ก นางสาวทอง 7 คนลูกคนเล็กคนเล็กคนที่ 8 เป็นผู้หญิงพระโพธิสัตว์นั้นพอเจริญ พ่อและแม่จะนําธาริกาก็คือเด็กหญิงหญิงสาวจากตระกูลที่มีชาติ ไฟไหม้เนี่ยน่ากลัวมั้ยฉันใดโลกทั้งโลกก็ ไฟก็ไหม้ลุกท่วมไปหมดร่างกายสรีระของเราใครคิดๆเพราะเอ่อในที่สุดก็ไฟทั้ง มีแต่ความคล้องมีแต่ความเกี่ยวมีแต่ความร้อยมีแต่ความรัดมีแต่ผูกมีแต่มัดนั่นแหละปรากฏเป็นของน่าเกลียดดุจ จิตของโลกมิได้กำหนัดในกามทั้งหลายนะโลกไม่ได้ ครั้งนั้นพวกสหายก็ถามพระโคฏิสารว่าดูจริงๆแล้วท่านสนใจอะไร หน้าหน้าปรารถนาหน้าพอใจชวนให้มี ออกบวชนะบทว่าภวังทิสวานะพยโตเนกขมะภิระโตอหังเราเห็นพบโดยความเป็นภัย ดดเห็นช้างดุแล่นมาดดเห็นเพชรคาดงึ้มดาบมาเพื่อประหารดด พอสู้เสวตตะเนี่ยนะต่อสู้กันไปมันจะเวียนตายเวียนเกิดกี่ภพกี่ชาติก็สู้ไปทําไมไปโทษแท้ทําไมแสดงว่าไม่แน่จริงสิ แดดก็คงเดิมอ่ะนะๆต่อสู้เถอะต่อสู้ให้มันเป็นๆเพราะผู้ใดไป เหมือนกับว่าช้างดุแล่นเพชรฆาตเกลื้อ้มมาเพื่อประหารเชื่อมั้ยอย่างก็คนในโลกเนี่ยนะเอ่ออย่างในยุค แย่ไปหมดเลยนะถูกรถชนตายเป็นต้นมากมายแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวเหมือนกับกับจริงๆนะสิ่งเหล่านี้น่ากลัว บัดนี้จึงยินดีในบรรพชายินดีในเนกขัมมะเพื่อพ้นจากสิ่งจริงๆที่ออกบวชประพฤติ เพราะฉะนั้นคิดว่าจึงบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติถูก ที่จะประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายประพฤติกามวาจรเพื่อรูปวาจรกุศลธรรมเนี่ยนะประพฤติเอ่อมหากุศลให้มันยิ่งๆขึ้นจริงๆการอยู่ อ้าวครุหัตก็มีความสุข เพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งอยู่ในคฤหัสถ์ปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติตามระเบียบที่ Ah แม่อโหสิกกถินังว่างั้นคํานี้จริงๆฟังดูไพเราะนะอืมลูกจะได้มี เพียงแต่ว่าดื่มดื่มคนละอย่างเท่าคือคําว่าภานก็คือไอ้ไอ้ เหมือนฐานที่เผาร้อนตลอดทั้งวันคําที่เชิญชวนในการเสวยกามสุขจึงไม่เป็นที่ อย่างคนที่มีความสุขในวัตถุกามทั้งหลายเพียบพร้อมอยู่ด้วยวัตถุกามทั้งหลายเราไปดูวันสุดท้ายสินะ ทราวิสูรรูปนึงบวชเข้ามาแล้วก็โอ๊ยเพียบพร้อมๆเรื่องประกาศ นะในที่สุดก็น่าจะไปไม่ดีตาย อาบายทุกขติวินิบาตนรกจำกล่าวไปยายถึงกลุ่มคารวะทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจๆไปการสูบบุหรี่นี้ เอาสมมุติว่าเป็นโรคปอดขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตอนปลายก็ลักษณะนั้นร่างกายของเรา กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะอยู่เป็นเพราะว่าหลักของสังสารวัฏมันมีว่าอดีตกับอนาคตผลร่องรอยตราบุญที่เรา ท่านยินดียินดีต้อนรับ 18 ชั่วโมงเนี่ยนะเว้นแต่หลับว่างั้นเถอะทํา ในที่สุดล่ะนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ท่านมองอะไรก็มองการไกลไม่มนุษย์และเทวดา เกิดก็ไล่ไปอย่างเงี้ยตายแล้วก็เกิดเกิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมงั้นกรรมที่เพราะฉะนั้นในคติพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยตายไม่ เช่นฉีดยายังไงตั้งคอมพิวเตอร์ยังไงฉีดยาทิ้งไว้คอมพิวเตอร์มัน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 ถ้าเกิดแถวๆดอกไม้ก็กลายเป็นผีเสื้อเป็นแมลงภูแมลงผึ้งเป็นต้นก็บอกว่าเราดูเอ๊ะมันจะเป็นไปได้จริงหรือถ้าเราไปอยู่ตามป่าแล้วจะรู้ว่าไอ้พวกแมลงที่ก็เราบอกว่าทําไมท่านไม่ปลูกต้นนั้นไม่ เขาบอกว่าผมไม่ปลูกมันหรอกมันมีตัวไอ้เค้าเรียกว่าไอ้ตัวบุ่ง เตรียมสยายปีกได้แล้วเนี่ยนะบินว่อนอยู่แถวๆนั้นน่ะเป็นชีวิตนะ อาหารนี่เราทานทานผักวลากิกินเนี่ยนะแล้วต้องปลูกผักเท่าไหร่อะไรหรอกเนี่ยก็บุญเก่าให้เหลือเกินตอนบุญก็มัวแต่แสวงหาการกินอยู่ก็เลยลืมอีกความลุ่ม คิดกินอยู่ๆมันคิดเลยกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะโมหะกลุ่มเพราะฉะนั้นความสุขทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง ลุ่มหลงวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งทุกเท่านั้นเพลิดเพลินใดนะที่จะไม่นํามาซึ่งความทุกข์มี ยิ่งเพลนในเท่าไรก็ทุกคนในวัต παราด เท่านั้นแล้วพำว่าจะมีอะไรมั่งที่จะนำออกจากสิ่งเรานิ่งได้ที่จะนำออกจากกองทุกอย่านี้ได้เพราะฉันการเจริญเนเท badu เป็นชื่อของสีนตรกษ์สมาทิและปัญญาสีนก็คืออโทษะสมาทิก็คือโลพรปัญญาก็คืออโมหะ ความลงทั้งหลายฉะนั้นบทว่าปฏิเอ่อความว่าความปรารถนาด้วยวัตถุกามนี้หรือจะบริสุทธิ์ด้วยการบรรปชานี้คือ นะว่ามันจะได้มายังไงก็ช่างเถอะอย่างสมมุติเราไปบริทานทานอะไรเนี่ยนะถ้าเราไปคิดยาวๆมันกินไม่อร่อยครับคิดๆคิดเฉพาะหน้า อโลภะอโทสะและอโมหะเจระเพื่อกําจัดความโลภความโกรธและความหลงเพราะฉะนั้นคําว่าเนกขมะ จะประสบความสําเร็จไม่ใช่รอกเนี่ยนะว่าท่านปรารถนาอะไรอะไรทําไมเพื่อนจึงไม่บริโภคกามทําไมเพื่อนจึงไม่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่า บอกตรงๆว่าเรากลัวบาปเพื่อนงั้นว่าเรากลัวบาปเพราะ ล่มหลงไม่เปื้อนด้วยโลภะโทสะและโมหะไม่ที่ไหนมั่งไม่เปื้อนด้วยปาณาติบาตไม่เปื้อนด้วยอทินนาทานไม่แปด มันแผ่เปื้อนด้วยอกุศลกรรมบทจริงๆมีแต่สถานที่ที่แผ่ เดิมยาพิษชีวิตต่อไปในอนาคตคืออะไรก็เลยสงสารตัวเองว่างั้นเถอะไอ้ที่กลัวบาปเนี่ยไม่ บทว่าปิตตงมาตุจันจะสาวยงความว่าสหายของ มหากัญจนะกุมารจักบวชโดยส่วนเดียวเท่านั้นมหากัญจนะกุมารนั้นใครๆได้ก็เหมือนว่าบางคนเนี่ยคือคือดื่มสุราเนี่ยนะมัน ใจของบางคนที่น้อมไปเพื่อจะออกจากวัตถุกามก็ฉันนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นบทว่ามาตาปิตาเอวะมาหุความว่า แสดงว่ามหากัญจนะกุมารเนี่ยนะเป็นคนที่ ในที่สุดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติทั้งพี่ทั้ง 6 มีอุปกัญญะเป็นต้นและน้อง เพราะฉะนั้นเราทั้งหมดก็จะบวชเหมือนกันนะพราหมณ์ทั้งหลาย พระเธอจริงๆก็จะยกสมบัติเหล่านี้ให้ทั้งหมดแล้วล่ะ บอกว่ามารดาบิดาทั้งสองและน้องหญิงชายทั้ง 7 ของ มีใครที่มีอัทยาศัยในมหาพูดฟังแล้วไม่ชอบในวัตถุกามทั้งหลายใครที่มีอัธยาศัยในมหาพูดฟังแล้ว แต่ว่า 7 คนเนี่ยนะก็รอจนพ่อแม่ตายแล้วท่าน บรรดานักบวชเหล่า 8 คนมีอุปกัญญะเป็นต้นพลัดเวรกันหาผลไม้คน 12 คน 12 ที่แบ่ง 12 ที่ข้อ ท่านทุกคนก็จะถือเอาส่วนของตนของตนไปยัง เอ่อมาฉันร่วมกันเพื่อจะได้ฟังธรรมอยู่ด้วยกันนั่นแหละฟังจบเอ่อฉัน ฤาษีเหล่านั้นเนี่ยมีความเพียรแก่กล้ามีอินทรีย์มั่นคงกระทํากสิณบริกรรมอยู่ บอกว่าไม่เห็นส่วนของตนก็คิดว่าเขาคงจะนะก็ไม่ได้เขาคงลืมมั้งก็ไม่ไม่คิดอะไรก็คิดแค่นี้เสร็จ 2 คิดว่าเอ๊ะ คงจะไล่เราก็มั้งแสดงว่าเราต้องพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่พวกนั้น บอกว่าพวกท่านแบ่งส่วนแบ่งเอาไว้ให้เราแต่เราไม่ได้นี่มันเรื่องอะไรกันพวกท่านแบ่งส่วนแบ่งเอาไว้ 3 วันอนาวันที่ 3 ตอน 3 ไม่ อาสมนั้นแม่รุกขเทวดาก็ลงจากที่พົບของตนมานี้มาจากเงื้อมมือของพวกมนุษย์เข้ามาป่า เพราะมันลิงให้มันเชื่อมมีการโบยตีลิงลิงจะเพื่อจะได้จะได้อานิสงส์จะได้ราบได้อะไรเป็นต้นลิงโคนนี้มาอยู่ป่ากับพวกฤาษีเพราะฉะนั้นทั้งลิงทั้งช้างก็มาสนิทสนมกับฤาษีกลุ่มนี้ครั้งนั้นก็ไปหาฤาษีเหล่านั้นยืนอยู่ณที่ แสดงความแล้วก็ถามขึ้นว่าอย่างเอ่อนะแล้วก็ถามขึ้นว่าข้าพเจ้าว่าจะให้ข้าพเจ้าสาบแช่งจริงๆข้าพเจ้าไม่ได้ขโมย คนทั่วไปปรารถนากันเหลือเกินอันนี้ไม่ใช่แช่งนี่มันขอพรๆเลยว่างั้นมาดูนะเค้าแช่งว่าท่านพรามที่น่าพอใจนะที่นี้จง โอ๊ยถ้าหักว่าผู้ใดเอาเหง้าบัวคนนี้เนี่ยตําหนิตําเหน็บแล้วว่าว่าทําไมจึง เพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดสูงทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ม้า มาเนี่ยสมัยใหม่ก็รวมถึงรถด้วยมีรถแสวงหาก็จะได้คันนั้นมาเนี่ย ถ้าถามว่าอ่ะแล้วคนที่มีพริยาล่ะบอกว่าโหเห็นคุยกับคนอื่นก็กลุ่ม ไม่ได้รังเกียจตัวเหตุจริงๆเนี่ยจริงๆจะรังเกียจผลที่เกิดจากเหตุตรงนี้ก็เลยพาลรังเกียจเหตุส่งไปหูโห้ยท่านผู้นิรโทษท่าน กองทุกจมอยู่ด้วยน้ําตานั่นแหละจริงๆอ่ะถ้าจมอยู่แค่น้ําตาก็ไม่เท่ามั้ยโดยมากโดยมากจริงๆมั้ยเมื่อเกี่ยว <c oughs> บอกไม่โดยมากก็เกี่ยวข้องด้วยบาปและอกุศลฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยๆมั้ยหอมกรุ่นเลยอร่อย แกล้งลืมสัก 7 วันนะแล้วกลับไปทานอาหารเถียวๆนั้นได้มั้ยทําไมอ่ะอาหารบางอย่างใช่มั้ยได้อาจจะขนม นี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะในที่สุดมันก็นํามาซึ่งความทุกข์ท่านจะไปสาปแช่งท่านหนักเกินไปพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าคําแช่งของท่านเนี่ย <c oughs> เพลินๆและยินดีก็แสดงว่าคนสมัยใหม่ยินดีรับทุกข์ยินดีที่จะทุกข์จะทุกข์แค่ไหน ขอให้ผู้นั้นจงทรงไว้ซึ่งมาลัยและจันทร์ แล้วก็ประสบทรัพย์สมบัติมีแต่ลูกเอ่อมีลูกเล้อเนี่ยนะจิตใจหมกมุ่น กองไฟฉะนั้นสมัยก่อนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวสมัยเปลือกสมบูรณ์ด้วยกสิกรรมทำไร่ช้าง 10 ช้าง 20 ช้าง อมียศก็คือมีบริวารยศมีตําแหน่งใหญ่โตจงมีบุตรจงเป็นครุหัตจงมีทรัพย์จงได้สิ่งที่น่าปรารถนาไม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นขอให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่น่าปรารถนา เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้าพเจ้ารักเงาบัวของท่านขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะคือถ้าๆมันน่าสงสารขนาดไหนถ้ามี น้องคนต่อไปก็บอกว่าท่านพรามผู้ใด จริงๆนะพูดแบบภาษาเราๆบอกโอ้โหนี่มันดีขนาดไหนใช่มั้ยแต่ถามว่าสุขในกาม ท่านเห็นว่าพรหมโลกเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐซึ่งน้ําตานํามาซึ่งความทุกข์ในวัฏฏะนั้น ผู้ใดได้รักเงาบัว นักกษัตริย์เป็นผู้เอ่อผู้เป็นเจ้าแห่งแว่นแคว้นมียศแล้วก็คนก็บูชานับถือกราบไหว้ไปที่ไหนก็มีแต่คนนับถือไปที่ไหนก็มี ผู้ใดได้ลักเง่าบวกของท่านใดได้รักชาวชนบทพิจารณาเห็นแล้วก็จงบูชาผู้นั้นบัวๆว่า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 เอาในที่ล้อมหน้านะครับถ้ามีคนไปที่ไหนก็มีแต่คนย้อนชีวิตก็หมดไป อีกคนนึงบอกท่านพราหมณ์ผู้ใดได้รักเงาบวกของ ขอให้มีจิตใจหมกมุ่นในเรื่องกิเลสจนตายว่า 4 อย่างอะ 4 อย่าง 1 เป็น 2 มีข้าวเปลือกเยอะมีไม้หาได้ง่ายน้ําก็ก็แปลว่าขอให้เป็นผู้เก็บภาษี น่ะถือว่าเป็นคําแช่งที่หนักมากอ่ะนะถ้าสมมุติทํามีสิ่งเหล่านี้อ่ะนะคิดถึงสิ่งนี้จนตายเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้น ไอ้ๆถ้าไปตายแล้วไปเกิดณที่นั้นจริงๆเอามั้ยอย่างเงี้ยนะโอ๊ยดีเหลือเกินดีเหลือเกินเนี่ยนะตายแล้วไปเกิดที่ นะไม่ต้องแปลกใจหรอกอาบายชินเยอะขนาดนี้มันจะต้องปัดฝุ่นดูดฝุ่นประจํา <c oughs> การขับร้องท่ามกลางสหายผู้นั้นจะได้มีความเสื่อมเสียอะไรๆจากพระราชาก็แปลว่าว่าขอให้ไปอยู่รัฐรัฐอะไรดีรัฐบันเทิงมั่วสุมเต้นน่ะ เขาอยู่ความสุขอยู่ตรงนั้น พลมีความสุขมั้ยดูแลคนนั้นดูแลคนนี้จัดคนนั้นอุ๊ยดีจริงๆเลยเอามั้ยนะนะตอนนี้เหรอตอน <c oughs> ก็การงมมุ่นอยู่ในโรงหนังอะนะเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยว 8 ก็คือน้อง ได้แช่งว่าท่านพราหมณ์หญิงใดได้ใครหญิง อันน่ะเป็นที่เคารพมีคนล้อมหน้าล้อมหลังไม่มีเวลา ถ้าอยากเต็มที่คุยเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องผ้าไหมในนั้นเป็นอัครชาญยาแปล หญิงนั้นไม่หวั่นไหวบริโภคของอร่อยท่ามกลางฤาษีที่ประชมกันทั้งแล้ว 10 เดือนไป 3 ปีนะกินแต่อ่ะนะถ้าขนาดนี้แล้ว คือแต่งตัวน่ารักเพราะราบเป็นเหตุก็เที่ยวไปเพื่อให้เกิดราบแสวงหาแต่ราบ นะๆก็เป็นสัตว์ที่เกิดได้กินได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าท่านพราหมณ์ผู้ใดได้เสร็จเพียงวัน <c oughs> เทวดาก็บอกว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าถ้าเกิดข้าพเจ้ารักอันเนี่ยนะขอ 1 ทําการ และหมายถึงกันนั้นน่ะอดีตชาติเนี่ยสร้างวัดเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นเจ้า แต่เทวดารุกขเทวดานี่เค้าศียะใจมากนะถึงกระสารแช่งนะว่าถือว่าโหดๆนะสมมุติว่าพระนมถ้ายัง จริงๆตอนก่อสร้างก็สนุกดีนะโห้ยสร้างนะมันอิระเม็ดทีละหลัง 2 หลัง 3 ที่ จงนําออกจากป่าอันรื่นรมย์ไปสู่ราชธานีช้างนั้นจงถูกเบียดเบียนด้วยขอมี วานรใดได้รักเงาบัวของท่านขอให้วานรนั้นจงประดับดอกรักที่คอที่หมองูเอามาคล้องเอาไว้เนี่ยนะประดับดอก เขาให้ถูกเครียดถูกตีอยู่อย่างนั้นตลอดไปเคยเห็นไม่ลิงบางตัวที่เป็นลิงที่เป็น <c oughs> <c oughs> กษัตริย์แช่งบอกว่าพูดสมมุติถ้าตัวเองแช่งเอ่อถ้าถ้าตัวเองอ่าแล้วๆแล้วหายจริงๆ อันนี้เป็นคําที่พระโพธิสัตว์ผู้เนกขัมมะบารมีเนี่ย ท้าวสักกะนี้ท้าวสักกะเป็นต้นเหตุใช่มั้ยที่ที่ทําให้ของหายเนี่ย แม้ท่านก็ไม่ได้กล่าวถึงสิ่ง พระโพธิสัตว์ไม่เล่นด้วยสิฤาษีไอ้อะไรนะท้าวสักกะเล่นแต่พระโพธิสัตว์เป็นต้นไม่เล่นด้วยก็เลย พวกอาตมาเนี่ยนะไม่ใช่นักฟ้อนรําของท่านไม่ใช่ผู้ควรจะเพลินเนี่ยถือ ด่าเจ็บปวดที่สุดในบรรดาคําด่าทั้งหลาย ท่านผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินขอให้ท่านจง นึกครับจะเป็นคําขอโทษที่ ท่านผู้เจริญทั้งหลายจงมีใจยินดีเจริญทั้งหลายจงมีใจคืออธิบาย แล้วก็ฤาษีก็ไหว้เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะไอ้การมา พรหมโลกเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเอาคําแช่งเหล่านี้เนี่ยนะตอนใครที่ฟังแล้วต้องสาปต้องแช่งกันแบบนี้ก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่ เขาเพลิดเพลินมั้ยอู้ยเก่งจริงๆเป็นเจ้าอาวาสดีนะนี่นั่ง from มหโลกก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายนั้น สรุปนะท่านเหล่านั้นทั้งหมดคือใครพี่น้องทั้งหมดเหล่านั้นนะพระสารีบุตรนะน้องคนที่ 1 ก็คือพระสารีบุตรน้องคนที่ <c oughs> แล้วก็เป็นสาวกผู้ใหญ่ด้วยนะเอ่อนางคุชุตตรานี่ ท้าวสักกาก็คือพระกาลุทายีมหากัญจนะดาบดก็คือพระโลกนะก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละภายในในจริยานี้เนี่ยนะเป็นจริยาก็คือเนกขัมมะๆเพราะว่าวัตถุกาม เขาบอกมีพระพุทธรูปแล้วทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งและอกุศลทุกแห่งจึงเป็นที่ตั้งแห่ง ปาชะลมยอมมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหที่ที่ที่เมืองหนึ่งคุณตรงไหนก็ อย่างไรเว้นไว้แต่คนเมาเป็นต้นนี้นะเว้นไว้แต่คนเมาด้วยอํานาจบาปอกุศลจึงจะมี 8 เปื้อนด้วย 8 เปื้อนด้วยบาป คิดแบบพระพุทธเจ้าคิดเพราะฉะนั้นท่านท่านเป็นมองแบบคนที่จะออกจากทุกข์เป็นมองแบบ ตอนแรกดูดีดีตอนท้ายนะเอาร่างกายนี่แหละโอ๊ยแต่ละคนนี่ๆแล้วยิ่งมีสบายสบายมีแต่ดีขึ้นมีตาตา จะลุกเจริญเจริญก็คล่องแคล่วไปหมดเลยมีมั้ยไม่มีอ่ะเนาะเพราะที่ไปเกาะซากช้างจะ พอได้อาหารได้ที่อยู่ที่อาศัยแล้วงั้นอะไรชีวิตชาตินี้ช้างเป็นอาหารตลอดไปเนี่ยนะก็เลยว่าว่าตัวเราก็ช้างไม่ใหญ่กินยังไงไม่หมดช้างก็ลอยถึงกลางทะเล ทีนี้ทีนี้ข้างล่างมันเน่าเปื่อยไปหมดใช่มั้ยมันก็เตรียมจมลงถามว่าพอมันจมปั๊บอีกาบินไปไหนตัวเองก็บินไม่ๆอะไรไปไหน กำลังมีความสุขและเพลิดเพลินก็ระเบิดแบบที่เกาะบาหลีนั่นน่ะ อะไรก็ตามที่เรายังทําไม่ได้เราก็ ก็ไม่ไม่ไม่ดีดีปรารถนาที่จะพ้นฉันใดหรือคนที่ๆ จิตใจก็แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสกามที่ปรารถนาแสวงหาวัตถุกามทั้งหลายก็น่าปรารถนาถึงจิตใจจะหมกมุ่นอยู่อย่างนั้น อันนั้นก็ก็พยายามที่จะออกพยายามที่จะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พ้นทุกข์ขอขอให้พวกเราทั้ง อมิจฉามรรคทั้งหลายเหล่านั้นด้วยสัมมามรรคเหล่าใดที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับโทสะก็ขอ